แล้วกบแมงเดมนี่ว่าเดีด๋ยว า, าจะรู้ว่าเรามาขุดหายไปจริงๆหายแต่เลยไม่มีแม้แต่หายเดียวแน่ใจาว่าขุดที่เดิมไหมหลวงพ่อที่เดิมขุดที่ฝังไว้ไที่เดิมที่เดิมจาง<ม>แม่ที่เราเป็นคุณฝังนี่ะมีทองสีสนะ่เส้นสายจะพายค่ะนะเส้นหนึ่งแปดบาทหรือสี่บาทจัาไม่ได้แน่สองเส้นยายเขาแต่งงานเขาเก็บไว้แล้วก็สร้อยข้อมือ เป็นบเบลย์เลยมีทั้งหมดสี่เช่นห่อไว้แล้ววางปกข้างหน้าปกข้างหน้าไอ้ไ อ, อ้หายซีย่ใสนอกนั้นเป็นไอ้เงินจมหมดมหายไปหมดเลยเ<อ>หายไปเล้แล้วก็ทาําไงก็ต้องเอาดินกลบไปตามเดิมเอายาวไว้ตามเดิมแล้วนะ่ะย้ายกลับมาลืมยายไม่เคยพูดถึงเลยออืเราสตังมีใช้เยอะแยะยายลืมว่าโมไปเอาตะบุญทานไปฟังพระเทพ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 ไปไหนปันญยญาวไ ย, ย, ย, ย้ใยาวเบาเรื่องเก่ายังมาเลื้ฟื้นเรื่องอื่นอย่างอื่นอย่าคิดคิด ท, ท, ทุทอท์ทางไม่เสร็จอนาคตอย่าจับมั่นให้มันคั้นมาตายกระเสียใจต่อภายหลังอย่าไปจับมัน่นเลยก็มานั่งกรรมฐานกันพอเสร็จแล้วก็ขอให้แผ่เมตตาอย่าไปคิดเท้าความหลังเรื่องเกา่ายังเลื้ฟื้นของลูกอขอให้ลูกมีความสุขขอให้ลูกมีความเจริญต่อไปพ อ, อลูกมีความสุขความเจริญต่อไปแล้ว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 สายเขียววิ่งเข้ามาก่อนอปอปไปไปไปไมาเดี๋ยวสายแดงวิ่งมาชนกันต่อหน้าเลยอหูนั่งอยู่ในกุฏินี่แหละนอนกุฏินอนรักแขกละมาณบ่ายสี่โมงแล้ระยะโยมก็มาเป็นเกมมาเนี่ยระยะโยมก็หูอื้อไปโยมโยงตาจังไปอย่างถ้าผ้าผ่าตรงนี้จะไม่ผดีหูจะอื้อถ้าผ่าไกลจะได้ยินเสียงดัง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 ถ้าสติไม่ดีเนี่ยมันก็ยังกินอยู่มันก็ประมาทอยู่ตลอดเวลาการมันต้องมีขั้นตอนมนุษย์เราเนี่ยมีห้าขั้นตอนอชั้นประทมหนึ่งประทมสองขึ้นประทมหนึ่งประทมสองสอบได้ 3, 4, ประทมสามประทมสี่ประทมห้าก็สอบได้โดยไม่เดิ่มพุลาเลยไม่ต้องมีใครช่วสอนอนี่ยอันนี้เรื่องจริงอยู่ตรงนี้บางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจเยอะเลยถึงห้าก็เป็นอันว่าวันนี้เราก็ได้ทราบเรื่องรา